ธรรมบทแปลเรื่องที่160เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพกุมาริกาคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานิว่าณติรากะโสมอักยิเป็นต้นตอน พระศัสดาสเสด็จในงานอาวาห์มงคลได้ยินว่ามารดาวิดาของกุมาริกานั้นกระทําอาวาห์มงคลนิมนต์พระศัสดาในวันมงคลพระสัสดาอันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมสเสด็จไปในที่นั้นประทับนั่งแล้วหญิงสาวแม้คนนั้นแหล่ กระทำการกรองน้ำเป็นต้นเพื่อหมู่แห่งภิกษุเที่ยวไปไปมามาอยู่ฝ่ายสามีของนางได้ยืนแลดูนางอยู่แล้วเมื่อเขาแลดูอยู่ด้วยอำนาจแห่งราคะกิเลสในภายในย่อมฝุงซ่านเขาถูกความไม่รู้ครอบงำแล้วจึงไม่บำรุงพระพุทธเจ้าไม่บำรุงพระมหาเถระ80ปสิบ แต่ได้กระทําจิตไว้ว่าเราจะเหยียดมือออกจับหญิงสาวนั้นพระศัสดาทรงเล็งเห็นอชาสัยของเขาแล้วได้ทรงกระทําอย่างที่เขาไม่เห็นหญิงนั้นเขาไม่เห็นหญิงนั้นแล้วจึงได้ยืนแลดูพระศัสดาในการที่เขายืนแลดูพระศัสดาตรัสว่าแน่กุมาร ก็ชื่อว่าไฟเช่นกับไฟคือราคะไม่มีชื่อว่าโทษเช่นกับโทษคือโทษสะไม่มีชื่อว่าทุกข์เช่นกับทุกข์เพราะการบริหารขันไม่มีแม้สุขเช่นกับนิพพานสุขไม่มีเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่านัติราสะโมอักย นัตถิโดสะสมะลุลินัตถิขันฐะสมาดุขะนัตถิสันติปรังสุขังไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีโทษเสมอด้วยโทษะย่อมไม่มีทุกข์ทั้งหลายเสมอด้วยขันย่อมไม่มีสุขอื่นจากความสงบย่อมไม่มีตอนแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่านัตติรากะสโมความว่าชื่อว่าไฟอื่นเสมอด้วยราคะซึ่งสามารถเพื่อจะไม่แสดงควันเปลวหรือฐานไม่ในภายในเท่านั้นแล้วจึงกระทํากองเท่าย่อมไม่มีบทว่ากะลิความว่าแม้โทษเสมอด้วยโทษะย่อมไม่มี บทว่าขั้นทสศมาได้แก่เสมอด้วยขันทั้งหลายอธิบายว่าชื่อว่าทุกอย่างอื่นเหมือนอย่างขันทั้งหลายที่บุคคลบริหารอยู่เป็นทุกย่อมไม่มีสองบทว่าสันติปรังสุขังความว่าแม้สุขอื่นยิ่งกว่าพระนิพพานย่อมไม่มี อธิบายว่าความจริงสุขอย่างอื่นก็เป็นสุขเหมือนกันแต่พระนิพพานเป็นบรมสุขในการจบเทศนากุมาริกาและกุมานตั้งอยู่ในโสดาปติผลแล้วในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงทำอาการคืออันเห็นซึ่งกันและกันแก่คนทั้งสองนั้นดังนี้แล เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่งจบ